ก็ฟังเทศก็ไม่รู้จาัอยู่ผมไปติจตามแล้วลืมลืม่าได้เอาเพ่งเพื่อนพ่มแดดไทยบอกไบกเนให้บอกพ่นไหมเนีคนพนอ่ะเนะนะพราะว่าเขาเอามาใหา้เล่าลืมลืมาใหา้เพราะว่าเขาแต่งหนึ่งวันที่ยี่สิบเมตรนี่ั้นก็วา ง, งองโอ้ มันจะแต่งจริงเลยพราะอะไดหมดเท่งก็บมีเหตุมีผลยังยาวแต่เราก็ฟังเรเนื้อวังจากเท่งแต่พอทันอยนุ่มเข้าบ่อยฟังแต่ไม่เขากันแต่ไม่เนื่องเข้าเป็นเนื้อโนมเดียมันเ่าลมันยังได้ผมฟังมันไปเรื่อยๆพอฟังเสียงข้ามมันจะมากว่าจิตมันจะไปฟังเสียงเพ่งหนึ่งขาทันยิกจิ๊กเลยออฟังดนตรีอ่ะแต่แว่ามันแก่ตัวน้องเป็นยังงี้มันเข่า มันไ่ได้เกี่ยวฟว้างแลยก็ทำผพานเกันไปมีฟังนิดนิดหน่อยหน่อยแต่มันโบกกระเทือนเหมือนยังนุ่มยังนุ่มกระเทือนมากเดี๋ยวจึงบอยว่ให้นั่นแหะบานแสงรุ่นแล้ก็ช่มตลอดมากว่าเดียวขอลองบาเวลาพาบินทาบาทตปิดเสียงนี่มันขอได้ต่บ้านแสงรุ่นนี่ขอได้บอกใครมีลูกหลานเคอยย็นพระบินธบาตงดทันทีเพิ่นออกมาจัง พราอระหว่างหัวใจที่มันกระระหว่างมันกระทบกระเทือนด้อเสียงมันุูยเดี่ยวโยงกันกับพื้นของกิเลสกับกิเลสมันกระทบกันมได้คุพูดใครไม่สังเกตนี่พูดความจริงนี่ถ้ามีทำพวกนี่มันไม่เสียงก็เป็นเสียงนเสียงเดียวแหละมันมันมันไม่เหมือนกันมันไม่เข้าถึงใจ พ อ, อ น, นี้ปุ๊บก็ถึงใจปุ๊บถึงใจปุ๊บมัก็ลบล้างลบล้างลบล้างถาันสมัธิหมดเลยลบล้างสีออกจากหัวใจได้ด้วยเพราะจิตมันเป็นโลคท่านจึงว่าสังรวมระวังเสียงลูกเสียงกินรดเครื่องสัมผัสที่มาเกี่ยวข้องนั่นแหละกลิ่นสีสัมภารสีเนี่ยคิดเมื่อไหร่ถึงจะมันจะดิ้นจะขนาดไหนก็จ่อสติตเข้าไปพยายามระงับระงับมันก็ค่อยจางไปอีก อันนี้มันไม่จ่อที่มันไปเลยไปเลยไปเลยมันก็เหยียบเนี่ยศาสนาสอนโลกมันไม่จอดไม่จอปล่อยตามอำเภอใจลูกตัวมันไหนแล้วมันชันมันไหนได้เห็นไม่ออกชื่อเขาเอาพระมาลุงปุขาวมาให้พระสังแต่สมัยยังเป็นเด็กเอามาแล้วก็กอมแล้วก็บอกว่านั่นเห็นไหม คนทั่วโลกดินแดนเด็กเล็กๆ็ไปน้อยก็เาเหรียญไปแขนคอให้ลูกก็ให้เหรียญนั้นรักษาความคิดแต่ที่จริงเด็กน้อยมันเอาไปอมมันจะรู้อะไรว่าเป็นคุณค่าหรือไม่คุณค่าไปหมดเลยทั่วโลกดินแดนเอาไปคิดเลยเด็กยังกินนมอยู่เด็กคนกินนมก็ให้กินนมนี่จะ ก, กินกินนมอยู่ยังจะให้มันใสบาดอีกคือด้วยเห็นไหมมันเกินฐานะเกินกําลังมันคิดไม่ได้เลยนี่เอาไปคิดแจะมาคิดเอาอนี่ มันเกินไปเรบอกว่าต้องไปกราบลูกสั้นนะเพราะหูปุขาคารวะท่านต้องรับแลว้วก็ตามจนลูกมันจะนี่หมดโอมมันจะมีอะไรเด็ก น, น้อยก็เหมือนเอาขนมให้มันกินนั่นพอมันใหญ่สมให้พุทธโธ้ก็ควรให้มันใหญ่สมควรที่จะเข้าการศึกษาก็ให้การศึกษาที่ดีแล้วมันใหญ่ที่จะเข้าจบปริญญาก็ให้ไปตามฐานะอันนี้อะไรเลยมั่วหมดเลยศาสนา ถึงมายุ่งหมดเลยเอาเด็กเล็กเด็กน้อยมายุ่งในวัดในวาสิ่งที่ไม่ควรทําก็ทํามั่วไปหมดเลยเพราะเจตนาคืออยากได้บุญแต่อะไรควรเหมาะสมว่ากับฐานะไหนยังไงยังไม่รู้ขนาดเราเป็นบวชมานานถึงขนาดนี้ก็ยังพอรู้เรื่องสาภาวะนั้งเอ่มาโยวัดกี่ปีกี่เดือนมันก็ยังไม่ได้เลือกดูสิมันเป็นไปอย่างไรถึงว่าถึงพูดออกมาให้คิดให้อา่ามันเกินไปนี่เด็กเล็กเด็กน้อยอายุสิบสองสิสาปีเอาผ้า สินสิบเข้าไปโอี่ไปกินข้าวคําเข้าเย็นยังดีใจไปลูกได้บุญเห็นไหมความดีใจกับการกระทำเข้ากันไหมดีใจแต่ไปทำชั่วมันเข้ากันเมื่อไหร่มันก็ต้องคิดเอาเหตุโอผลมาบวกลบคูณหารสมว่าพุทธศาสนานี้ที่สอนโลกนี้ไม่มีหนทางเดินที่จะทาให้ผิดตั้งแต่เด็กเล็กขึ้นไปลูกควรหรือไม่ควรอย่างพระาธาตุอย่างนี้นี่เหมาะสมคือจุดไต้ต้นโพนั่นไปประเทศออ พมา่าเขาจุดบนะนเจดีนั่นแหละจนจะขนไม่หนีไม่ไหวคิดที่เียนไขอะ่ะอืมไอตัวคุญมันอยู่ที่ไหนจรินอันนี้ตัวบูชาเป็นภายนอกมันอยู่ในจิตสิ่งที่คนภายนอกวัตถุเอาจุกตรงไหนหมอกยังไงก็ต้องเป็นเรียบถกหัวใจนี่กราบลงไปมันถึงที่ถึงที่แล้วอะไรแล้วเป็นผู้รับทราบสิ่งเหล่านี้ก็คือใจใจเป็นฐานของบุญแน่มันจะผิดอะไรอันนี้ก็เหมือนกันถึงบอกว่าเราก็ นี่เคยชมไม่เคยมาดนะเข้าใจว่ามา่ไ้ไม่ไม่เคยชมมันแสงลุ่นเลยมันนานแล้วอยู่จังกี่ปีว่าขออะไรก็ให้ถึงแม้จะยากจนขนาดไหนยังประคับประคองพันเนนไว้อยู่ไอเสียงเสียงนพอได้ยนินนะเราเป็นหนุ่มมาแล้วนะเรารู้จักพระพุทธเจ้าจึงมาลูกขมูลและเสนาสนางพูดได้เพื่อใครพระบุทรชนบวชแล้วเธอเข้าป่าอย่ามายุ่งกับเสียงเหล่านี้เดี๋ยวเธอตายว่างนั้นเถอะตายแน่นอนถ้าจิตไม่มีหลักเมื่อเธอมีหลั ก, ม, ลกมีเกณฑ์ดีแล้วเอา เออถ้ามีคุณภาพดีพาิดด้า น, นจิตใจมั่นคงแน่นอนแล้วมีฐานธรรมทิพย์มีสติปัญญาครอบครองตัวเองป้องกันตัวเองได้ดีแล้วไปเลยเธอจะไปยิงกระสราดก็ไปเลยว่างั้นใครจะทําอะไรก็มาเลยจะเปลี่ยนกายมาก็มาเลยว่างั้นจิตนี่พอตัวแล้วไอ้พวกเปรยกั บ, บคนบ้ากกิเลสทามองแล้วมันมีแต่ล่างกระดูกเห็นพ่อแม่คุณจันทร์พ่อหลวงแสงพันเล่าห่ะมองเห็นคนมีแต่ล่างกระดูกมันจะไปกำนังที่ตรงไหนไปยินดีที่ตรงไหนจิตไม่เป็น ก็ต้องหลบสิไม่ว่าผู้หญิงผู้ชายนี่จะว่ามั่วมั่วไม่เขาเนื้อนี่วันนี้ก็พูดเด็กน้อยมันก็มาบันดุงเลยบอกอย่าลืมนะไม่ต้องเสียเงินเสียทองหรอกพุทธโทเนี่ยกราบไหว้ทุกวันทุกวันทุกวันจ่อลงด้วยนะอย่าไปทําเล่นๆนะไม่ทําเล่นๆมันไม่ติดต่อกันนะนี่สอนมันก็ไม่เอาจับทางนี้มันก็หลุยไปทางนั้นจับทางนั้นมันหลุยทางนั้นพอมันไม่เอามันไม่มีกุศลเช่นไง ใจเป็นบุญเมตตาแพร่กุ้งถ้าพูดอุบลีแมันใจัไม่เป็นบุญพูดบุญเข้าไปมันก็ไม่ดูดดูดซึมเข้าไปสักหน่อยไม่ว่าใจใครทั้งหมดอ่าใจผู้พูดอยู่กูนเนี่ยนี่เดี๋ยวนี้ก็เหมือนกันถ้ายังไม่เป็นบุญมันมีทางรับเลยมีตะโลกละลาบอยู่ตลอดล้านอยู่ตลอดสร้างตะคมวุ่นวายให้ตลอดตลอดมันก็ไม่เข็ดไม่ลานี่เอาอะไรให้มันก็ไม่เอานี่พอเราเนี่ก็มามั่วกันขึ้นจริงย่างดีมากไม่มานอนวัดมากขึ้นพอมากขึ้นก็มั่วเข้ามั่วเข้าผ้ า, าก็มาจากคน คนก็มาจากบ้านบ้านต้องยุ่งเหยิงกับเรื่องลูกเรี่องเมียเรี่องหัวเรื่องทุกสิ่งทุกอย่างเลิองหาอยู่ห้ า, mejor, หา ก, กินมีได้มีเสียมันยุ่งกันไม่มีทางไปก็ต้องออกแปวนั้นมันไม่มีอะไรหัวใจเจ้าเลยมาพูดอ่ามันก็ต้องพูดเรื่องบ้านเรื่องเมืองพูดไปหัะก็มาจากคนจิตพอจิตรับปุ๊บเท่นึงกับเป็นโลกลุ่นล้่นลผลที่ท้ายก็แสดงออกมาไม่มีอะไรเป็นที่สังวรระหักนั่นนะศาสดาสอนโลกลุกขมูลเซนาสนันพอขึ้นต้นเลย บวชขึ้นต้นเลยแหละลกขอมูล์เทสนาสันนิชายะปปชาว่าไปเลยง่นเธอบวชแล้วเธอเข้าป่าเข้าเขาที่สงบวิเวทเธอต้องหลกเล่นอยู่พี่นั่นจนจิตใจเธอมีหลักเกณฑ์อันนี้เพิ่มเอาท่านมานิว่างั้นหลอกคนบวชเข้าป่าแล้วก็นี่ยอันนี้หมายถึงว่ามีหลักมีเกณฑ์แล้วมีฐานสมาธิดีแล้วตามหลักนักป่าถท่านแค่ฐานสมาธิเกลียกินมันไม่หิวมันจะหากินอะไรเรื่องเสียงเรื่องลูกเรื่องอะไร อันนั้นความสุขเหนือกว่าให้ใครเป็นลองดูสิมีพูดตามหลักลังปาท่นนะเอเอเราโอทําท่านมาพูดนะมันไม่หิวเรา อ, อันนี้มันหิวเห็นคนก็หิวเห็นเสียงมันก็หิวไปกินหมดมันกืนเข้าไปกินกืนเข้าไปกินหมดไหนละ่ะทํามันก็แห้งทากเลยความสงบร่มเรียนภายในใจไม่มีฐานความสุขไม่มีบุญก็เหมือนเทน้ําใส่หลังหมาเนี่ยแหละทีเทวภูษณ์เข้าไปก็แทบสลัดทิ้งหมดฟังทุกวันทุกวันมันก็ไม่เข้าไป ถึงบอกเอามันเอาไม่ได้ใจไม่ได้เจาะลงไปเจาะลงไปวันนี้ได้ห้านาทีถึงบอกว่าห้านาทีก็ยังดีเจาะอยู่นั่นอยากให้มันเผลอมันหลังก็ได้อีกห้านาทีสิบนาทีไปเรื่อยเรื่อยเป็นองค์มัดติดต่อกันมัดเครื่องดําเนินติดต่อกันเรื่อยเรื่อยเรืยมัดคอตัวพอตัวนุ่นเป็นสมัครีจจริงทางกิเลสออกเลยตุ่มปังเดียวเัน่นนะรว่างหน่ตอนนี้โอ้ยมีตะมาบ่นกันเรื่องนั่นเรื่องนี้เรื่อง วันหนึ่งจิตนี่อยู่กับพุทโธสามนาทีมันก็ไม่แล้วมาว่าแม่เราทันได้ยังไงว่าไปตามนี่ยเขาเรียกว่าทํานอกมันไม่จะทำในาทํานอกมันก็หลอกเก่งสิไม่ว่าพระไม่ว่าใครแหละเขาจะเป็นทํานอกหลอกเก่งทั้งนั้นแหล ะ, เ ล, ะเลี่ยมถูดใช่กลยุทธ์ทุกอย่างนี่ทำนอกถ้าทำในาไม่มีไม่มีหลอกไม่มีต้มไม่มีตุนและก็ไม่หลอกตัวเองด้วยไม่มี ทำจึงเป็นธรรมชาติ cooker, ที่คงที่ดีงามตลอดมัชชิมาอยู่ตลอดทั้งแบบถ้าใครเอาไปทรงงามตลอดในจิตใจก็งามแสดงออกก็งามนั่นท่านจึงว่ามัชชิมาปฏิปทาท่านบอกว่าไงนี้มันไม่งามก็อาศัยธรรมที่มาบีบหัวใจใจไม่งามรู้ไหมเห็นรูปมัน uh. ก็ไม่งามเห็นเสียงมันก็ไม่งามเห็นลิ้นมันก็ไม่งามไปทั้งหกอายตนะนี่ลุ้งเฉงกิลรถกดปอดสปธรรมลมมืดเอาไปกินมีดีโลโก้ร่วนร่วนแห้งขากอยู่ทั้งวัน ไม่แม้เอาจริงเาจำจะได้ยังไงนอผมพอได้เรื่องนี้ก็เลยมาพูดทั้งไทยบ้านบุ้งพูดทั้งเรื่องนี้เหมือนกันเด็กเล็กเด็กน้อยมันลาคาญท่านี่นอุย้ยเด็กยังเกิดเยังมาบวชเนียนจิตเป็นจิตสองปีมันจะได้อะไรน้อยนิดเดียวถ้าพูดแล้วมีครัง้งคุณการถ้าตามประวัติมีพระระหุนถ้าเราจําไม่ผิดนะอายุเกตขวบมันใหญ่ทั้งนั้นเกตขวบ อยากจะบวชนี่ให้ไปขอสมบัตินั่พระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็บอกอริยาทราบให้ก็เลยให้พระพระพุทธเจ้าประจงให้พระอนุ์บวชให้จุปิชาพอบวชแล้วตอนขํามมาขยงข้าพระอนุนไปเอประคองไปบอกเออเดี๋ยวพรุ่งนี้ได้กินท่านก็ไม่ได้หลอกล่อหรอกอดเอาผมก็ว่าประคองเนี่ยมีพระหลังมีเนียนขีเน้นขัานบุตรการที่มีอุปนิสัยพระหลานถ้าพุทธเจ้าโลกกมีถูรู้แล้วว่าจะแก้แบบไหนได้เป็นพระหลานพระองค์ซึงรับอันนี้เราเป็นบุตุชนไม่รู้เลย มืดตื้อมือตื้ออา้าวผู้รับก็บอดผู้มาก็บอดบอดด้วยกันต่างคนต่าง ต, ตาบอดจูงไปก็ชนดักไม้ไปเลยตําไปหมดเลยแหลกหมดไม่จะดีอะไรที่ไม่บอกก็บอกที่ไม่บอกก็บอกชัดๆคือนี่การจดจ่อทาอะไรทุกอย่างไม่ว่าเรื่องโลกเรื่องธรรมถ้าขาดความจดจ่อแล้วภาพหมดมีทําไปกุ้มครองหมดทุกประตูและโลกไม่เอา เอาอดขึ้นมาก็ถ้าคนมีทำปุ๊บอดทันทีไม่ฆ่าไม่แกงไม่ด่าไม่ว่านั่นทําป้องกันแล้วโลกขึ้นมาปุ๊บทำไปกันปุ๊บไม่เอาของเขามีสติสตังค์แม้ทยากแกงเหงื่อออกมันก็ไม่เอาออตัวหนึง่งครอบใครมีอย่างนั้นผู้นั้นเริ่มมีทำแล้วนะเริ่มแล้วนะอย่าไปน้อยเนื้อต่ําใจนะเริ่มแล้วนะสากมันออกไปแล้วนะมันเริ่มจะเย็นไปเรื่อยๆทีทแรกมันก็ น, น้อยนะมันไปเอาของคนอื่นเนี่ยคนมีทำแล้ว ก็แผ่กว้างใจกว้างใจขวาง อ, อคนมีธรรมใจกว้างใจขวางคนมีกิเลสมีใจแคบเห็นแกตัวและกระทบกระเทือนคนอื่นไม่เกี่ยวอำนาจกิเลส จ, จึงมันหนักหน่วงหมดไปอยู่มุมไหนมุมไหนใะวัดก็หนักในบ้านก็หนักในตัวเองก็หนักหนักลงไปหมดเลยนึกว่ายัอมาก็เลยเทศก่อนเอาแหละเดี๋ยวจะส่วนวันวันนี้มันออกขึ้นมันออกเป็นอีกครับ มันอ๋อเห็นแต่ลูกนาเห็นเอาออกว่ายานาาาะาสร้างหลวงพ่อบอกเด็กให้ลูก้ระดานด้วย e. มันไปอมเขาเลเองนเนอ้าวไม่ใช่จริงเราเห็นแล้วก็ว่าเอาไม่มีใครเตือนเราก็บอกนี่เลยบอกแม่ประสาว่าลูากปู่้าไม่ยกใส่หัวของผมเต็เป็นเด็กไม่รู้เรืกก่องได้ก้ไมไฟดูสิเจตนาหรือไม่เจตนาอมไฟดูสิเด็กอ่ะร้อนไหมกับพ่อแม่กันไม่รู้ดิมันอยากจะให้ลูกมันได้บุญอย่างเดียวมันไม่ได้คิดถึงเหตุถึงผลอะไรอันนั้นมันไม่ใช่ขนมนึ่ อ้ามันเป็นพวลกดินแดงนะพอสร้างนะหมดเราเห็นแล้วนี่ก็คนเทพนั่นแหละแต่ไม่ออกชื่อนะไปดูกันว่ากันเลยมันเป็นหมดแล้วมนดูถุมนั่นหรือเนื้อ่น้าจิงพากันช่างแต่กองทุกให้ลูกให้หลานบุ่นวายกันอยู่นั่นไม่มีขย่ือขึ้นเลยความเจริญรุ่งเรืองจึงไม่ค่อยมีมีแต่แก้ปัญหายุตลอดมีนี่มีศิลุ์พลังมันมืดมันดำไปหมด อย่าทำท่าเรื่องภายนอกโหย่ไอ้แต่งตัวนี่ไม่ต้องพูดงองเขาก็ไม่เคยเห็นเทวดาหรอกเหมือนทําเทวดานู่นแต่ไม่มีท่าอะไรใจนี่โหย่มันเศร้าหมองมันโสโครกสรมมหดเท่านั้นไม่ล้างสักทีเลยเอาตั้งแต่แป้งมาโปะเอาแต่เชื่อกแต่งตัวเอาทําคำมาโ ป, ปะโปะเท่าไหร่มันก็แก่อย่างเหมือนเดิมทาเท่าไหร่มันก็หน่ายอยู่เหมือนเดิมนั่นที่สาขาไม่เห็นทาร้อยี่สิบปี เป็นจากกัลยาณีสร้างตินห้ามาสองอสมไขยนู่นยินดีพูดในฟังพวกเรานี่ก็มาจะมาปี่มากันมั่วกันเข้ามั่วกันเข้าหยุดญยานะทาไมมีเรื่องอะไรก็จะมาคุยกับพระกำเนินในเรื่องที่เราก็เตือนนะถ้าเรานี่มาจากคนนะเราก็คนเหมือนกันนะยังไงพูดเรื่องคนค น, นีมีแต่เรื่องยุ่งนะวุ้นวายนะพระพระใจนะไม่ใช่พระสมมุติให้เป็นผ้านนะสมมุติให้เป็นพร ะ, นะะใจยังไม่เป็นผ้านี่ยุ่งเหมือนกัน ถายังดิ้นรนเดือดร้อนมากหาความล่มเงย็นภายในตัวไม่มีมันเป็นอย่างงี้อ่ะก็เราเป็นมาก่อนก็พูดเรื่องตัวเองพอรู้เรื่องสาป<ห>ว่าโอ้ยมาเห็นพ่อแม่กูจันมั่ น, น<ห>ที่ถอนถอนเราจึงไปอ่านไอ้ที่เอาไอ้อะไรหามเจ้าคุณถามเจ้าคุณพระท่านไปเขียนดีนะท่านนี่เอ๊ ท่านไม่บอกชื่อว่าจะคุณองค์ไหนที่จริงเจ้าคุณอริยะกุณนาธานเฉ่งปหกหรืออะไมหาหกประโยชน์ทำไมนั้นถามไปน้องขินเราก็อ่านหนังสือวันที่จิมมามาที่ตุบิยาถือมาเรากอ่านดูโอ้โหเราก็อ่านจนวันนี้จนตาลายใครมาก็พูดให้ฟังหามไปหามไปที่ใส่เกลียนไปก่อนเพราะว่าเจ้าคุณสมัยนั้นโถถ้าจะเป็นเจ้าคุณมหานี่ก็โถลือกันนะแห่กันไปหามกัน หามก็วเอาเอาวัใส่เกวียนลากเจ้าคุณไปสี่กิโลกรไม่รู้อ่ะมันจําไม่ได้นะั่นพอไปถึงก็ใส่แม่แค่อีกพอหามไปรอบวัดท่านอาจารย์มั่นก็นั่งอยู่ชะลารอยอยู่กับบรรดาลูกศิษย์ท่านก็ล้องไปยังออกมาเลยหามไหย่างหามไปยังวะภาษาอีสานหามเม็ดย่งหามไปยังคนหามเจ้าคุณแห่ท่านตีขอ้อเีท้าแตกเข้าป่าเหมือนพวกบวมน่ะท่านอาจารย์มั่นไอคนที่หาม ไม่แค่เดินหนีไม่ได้กลัวเหมือนกันกลัวจะทิ้งเจ้าคุณก็เลยไปเกยใส่ะสาลาก็ขึ้นไปไปนั่งให้มาพูดกันตื่นเช้ามาเป็นวินทบาทท่านก็ว่าอะไรสารแวกป่าแดกใส่ตุ้งนะครับป่าเก่ากับ่ะไรป่าไม้กับ่ะไรเอาบุญเฮ็ดหนังหรือเปล่าถ้าบุญเฮ็ดหนังให้ตีไม่ได้อ ท่านก็เลยมาพูดอธิบายตอนกลางคืนพวกพวกคนน้องขือนนะดักว่าบันนั่งต้องไปฟังเด็กคนขรวาเนี่ยจะดักไปฟังท่านอาจารมันเทศแอบอาดักไปทานก็รู้โอ้ยงกม่านหน้ามือนีไปสัน่นเขาบอกต้อรู้ดินี่ง ไ, งนาารรไหมหน่ า, าจะจันย์ไหมโอ้โหหน่าจะจันยจริงมาท่านก็ไม่ว่าหลยท่านก็ว่าอย่างนั้นท่านก็เทศะมันเป็นอวบัตทุกกฎถึนบอกถ้าท่านไม่ได้ป่วยไข้หามขึ้นวัวขึ้นเกวียนเหมือนกัน แต่ที่นี้มันเป็นภาษาอีสานนะไม่ใช่ถามเจ้าคุณก็ตามบุญพระเวทลองถามเข้าพูดนี่ยู่ น, นดดี่ถามเข้าจานนี่นี่พ่อเนี่ยจะพูดด้วยเดิมๆพ่ออาจารย์เนี่ยพ่อทวัตถามเลยเป็นจานเขาหามย่อนหน้าย้อนหนังอย่างนี้ถ้าเป็นเราลูกเดี๋ยวนี้หามโยนแม่เข้าป่าฟ้าเหมือนขมั่มไปหนุนจะเล่าฟังนะคุณคณเลยรักยังไม่เคยได้ยิน ขามวนอาจจะมาไปเทศที่บ้านคลองจะไหมเทศพรเวศนะขมนวนโอ้ยถ้าจะมาไปก็ต้องเตรียมก้อนหินขึ้นไปเนี่ยธรรมาทบางที่แล้วก็เอาสากมองไปไว้ด้วยเดี๋ยวไม่ไม่สากตํำข้าวขึ้นไปได้หลายหลวงพ่อจะไปทําอ้าวก็พวงนี้เวลาเขาเทศพระเวศพอมันเสียงดังขึ้นมันก็โปยเข้าวสารคว้างขึ้นไปหัวพระมันนิสัยมันเป็นยังไงแตามแล้วก็คว้างเขาต้องขนมวีขึ้นไปเพราสิ เอาคว้างขึ้นไปมันไม่หัวเรียกหัวพระท่านนี้ก็จะคว้าก้อนหินก็จะโยนใส่หัวโยมเหมือนแต่เจ้ากูเป็นเที่ยวไะไรเอาฝ่ายเหมือนกันเอามันเป็นอย่างนั้นยืนถามเจาจันพวกเจ้ามาถามเขาโห่มเหมือนกันครับเขาไปเพราะผมก็บอกไอหพ่าทาเห็นบ่อาจจะเห็นวานของจานคือใช่หัวพระเลยหรอกเรื่องว่าเลาะกันกันหลอนไหนท่านมันก็สําคัญนะคอเห็นกันหลอนไหนที่มีเงินมากๆเสียงนี่ห้องขนาดเลย ตาก็ต้องดูงนู่นล่ะไ อ, อ้กันหลอนนี่หนึ่งจะเอาอูหรือไม่น้อว่าถ้าคนเดี๋ยว ก, ก็แม่แค่มาหามไปให้ถิ่เราเห็นอยู่เนี้ยนะเราเป็นเด็กหนี่นะท่านบาปไประบาด ท, ทุกกฎ น, นั่นเอา้าทุกคันมหากดแปดประโยคก็มีเก้าประโยคน์วันนี้ไปดูสินั่นนักปบาตรท่านอมันขําจริงๆอืมซาละแวก菩萨มันทําแวกแน่วแหวเกินไปซาละแวกเสนาถึงขำ มินทบาทพูดไปฉุดทางนะคุณดูเลยหลังโอ้าถึงจะเข้าต้นมาเปอไอ้บ้านหน้องเผยไปซัดละแวกป่าแดดตะไช่ตุมป่าเก่ากับบ่อใดป่าไม้กับบ่อใดเอาบุญเฮ็ดยังเน้งทาบุญเฮ็ดยังม้นว่าพสายสานว่าไปยจนโอ้โหนี่ก็เราก็คิดย้อนหลังก็เลยชมตัวเองสิหน่เราเล่นกับบ้านแสงกรลุนแต่ก่อนเขาทำบุญประทายข้าปล่าเขาจึงมันไปสวดบ้านเราไปสวดให้พ่อนานไปลูกหลานก็เล่นหนักเข้า กวนตั้งแต่เรื่องดูหนังก็เลยบอกโอ้ยอย่างงั้นเลิกกันสร้างให้ลูกหลานดูหนังซะเราไม่ไปสวดให้หลงมนไปสวดทำไมสวดทุกคนดูหนังเฉยเฉยได้ประโยชน์อะไรเราไม่สวดก็เลยมาตรงกันเราก็ไม่ได้มียานเครื่องรู้เห็นมั่นไม่ได้ประโยชน์จริงๆลูกหลานชอบเลน่นก็เล่นไปแต่เราไม่ห้ามขอให้เล่นไปเถอะแต่หลวงพ่อเขจะทําเอาที่นี่บุญเป็นบุญเล่นเป็นเล่นเราไปสวดทาไมไม่ได้เลยไม่ไปไม่ให้พระไปเลยจะนั่นหมาไอ้จ้าหนุจีนนีเสียใจเป็นนานควรจะแก้อะไรผู้ใหญ่บ้านเรื่อ เมลุกหลานทำอย่างนั้นหลวงพ่อไม่ไปสวดมนต์ไม่สบายใจเอ้ามามาเอาที่วัดเขาจะเล่นแค่เขาเล่นไปมันพอคนละขั้นตอนไปลากมันก็ไม่ขึ้นเถียงทะเลาะ ก, กันเล่นไม่ได้ประโยชน์ไปปล่อยให้เขาเล่นตามเรื่องภาษาของโลกซะเขาก็จะมีเวลาเข้าใจอย่างได้บุญเขาก็มีอยู่เขาก็จะได้บุญขเขาแต่นี้มันหนีไม่ได้แต่ก็ดีว่าบ้านแสงลุนให้ปีนึงครั้งเดียวเพรานั้นนี่เป็นปเล่นเกินนั้นมันก็เสียเงินเสียทองเอาแหละเราทุกยากจนเราก็บอกลูกหลานอย่างนี้เขาก็ฟัง เราจึงอยู่กับเขานี่จึงมื่อคิดว่าเขามีบุญมีคุณพาเขาทํานั่นที่เห็นมารู้นนี่ทําสะพานรอยสะพานอะไรโอ้ยเครจะมาสร้างสะพานข้ามห้วยข้าเราเพื่อประโยชน์เราคิดเห็นบุญเช่นคุณเขาเขาใส่บาทรถ้าเราฉันเขาก็ทุกข์ยากลาบากเราเพื่อกูล น, น้ําใจเขาทีานี้ถ้าลูกหลานพากันไหว้พระสวดมนต์โอ้ยเก่งทีนี้่จะเล่าเรื่องเข่นปลอดตอนนั้นอสงครามญี่ปุ่น เกิดสงครามโลกคันเียนเขาเขียนไว้นี่ล่ะนี่จำเอาให้ดีเดี๋ยวจริงจริงมวลวันนี้จะพูดเดนี้ให้ฟังก่อนมันขำๆพอฟังมาแล้วเขาก็ทุกคนก็ว่พอสงครามญี่ปุ่นเป็นทหารเสรีไทยอ่ะใครก็ไปฝึกกันยิงปืนกันยิงอะไรเพื่อต่อต้านญี่ปุ่นทีนี้มีคนคนหนึ่งก็ปรึกษากันใครมีของดีเขาก็เลยเอาแค่หตันไปยิง เขาไปยิงแค่หมูตันแตกก็เจิงหมดเลยยิงบอกเอาคาบินแต่จำไม่บอนเลยว่าปืนคาบินเราจํารย์ไม่ได้ น, นิสัยอ่านแต<อ>่ น, นี้ก็เลยมีพูดขึ้นเอ๊ะท่านอาจารย์ใหญ่ม้นน้อขือนี่ลือนามมากนะมันไปขอของดีท่านจะไม่ได้เลยครูอะไรนะครูหนูไทยว่างั่นถ้าจําไม่ผิดเป็นคนน้องขือมาสอนอยู่ที่นี่เป็นหัวหน้าฝึกเสรีธรรมฝึกพวกเส ล, ลีก็เลยคิดแล้ว มันก็ไม่มีทางไปเพราะคนกลัวตายคนเกิดมานี่เข้าสงครามก็ต้องคิดหาทีพึ่งทางใจเนี่ยจะเล่าเรื่องท่านทำหรือไม่ทำจริงนะจึงได้แต่ก่อนได้เห็นแต่เล่ากันมาพวกนี้ก็เขียนไว้ในหนังสือเลยพอก็เลยตัดสินใจว่าให้ผู้เท่าอุปถัมภ์ยมพุทธหรืออะไรไปกราบเรียนท่านจันมั่นขอเป็นทีพึ่งทางใจเพราะเขา กลัวตายจะทํายังไงเออที่นี้ผู้ท่านั่งไปก็ไม่กล้าเพราะท่านจาันมั่นไม่ใครกลัวมากที่สุดก็เลยบอกพระท่านแต่ไม่บอกชืก่อเจ้าองค์ไหนก็เลยไปเล่าว่าไปกาเบียนท่านดู้สิว่าจะขอทํำตลอดเพาะให้เป็นที่ระ ล, ลึกหน่อยท่านจะทําให้ไหมว่าตามเราเรนยนสือนะพอ พัก็เลยไปกราบเบียนท่านท่าท่านก็ต้องกราบเบียนเพราะกลัวไปดูสงสารญาติโยมสมัยนั้นญี่ปุ่นเข้าประเทศไทยบุพชายประมาณสามคนก็ไปหมดคนสิบแปดล้านสมัยนั้นไม่ใช่ย่อยเมืองไทยเราเนี่ยพอไปถึงก็ไปกราบเบียนท่านเออเขาอยากได้ก็ให้หนใด้เขาสื่นตัวว้าวพระสายสันเออเขายากได้ก็ให้หนใด้เขาทั่นตัวทีนี้ก็เลยออกมาบอกอีตาอันนี้ก็เตรียมแผนทองอย่างดี ที่แผ่นตัดเป็นมุมก็เลยเอาไปให้พระองค์นั้นไปวางไว้ให้ท่านจันมั่นนะเขาถ่ายรูปไปเลยท่านก็เขียนพอเขียนเสร็จเรียบร้อยอีวันนะแล้าก็จำลืมไปในหนังสือว่าสามวันสี่วัวนนี่อนีรยิศนี่พระก็เลยเอามาให้พอพูดไปให้ครูนูไทยดีใจมากโหได้ของศักดิ์สิทธิ์ได้ไม่ให้ใครรู้เลยเสียงไว้กระเป๋า พอไปกันเลยไปพเพื่อนที่ว่ายิงนั่นแหละทีนี้มึงมีของดีอะไรไหมมียุมยตมียังงั่นแหละพอว่างั้นกันเลยคว้านูกระเป๋าคว้ามัดจอกได้กระเป๋ากนเข็นตลอดก็เลยถือไปเลยวางงั้นน ะ, ะพอถือไปทั้งนี้ก็ทั้งตกใจย้ายเอาไปทําไมแต่ไม่กล้าเพื่อนนั้นเอาไปเลยเพอเอาไปมันก็ไปวางไว้มันก็ยกปืนคาบินยินๆๆทงทันทียิงสามทีเป๊ะเป๊ะไม่ออกวางงั้นนะเขาเขียนไว้นะ มันก็ยิงขึ้นฟ้าตองทีเดียวโอ้ยดังใหญ่เลยทีนี้ต่างคนก็ไปขอท่านก็น่องนั้นอาตมาจำได้อยู่กับพ่อแม่พระชันทรสมัยลุกงปุษานี่สงครามพอ ร, รันเศษท่านก็ตีฟ้าตะเกียดให้เป็นท่านไม่ได้เสริมไม่ไปข้าวเพราะเป็นควอมอบุญสำหรับคนไทยเขาอยู่ในเมืองไทยท่านท่านอาจจะมีเมตตาท่านทาทํานไม่ไดม อ, อะไรมากสมัยนั้น พอท่านเขียนแต่ก่อนที่นี้ท่านเขียนเห็นฟีนิสแผ่นตามเขาบอกแต่นั้นไม่ได้เขียนเพราะไม่มีทองสมัยนั้นก็เลยเขียนใส่ผ้าตะเกียบให้นโมยุตนานังเวมุติวิทยานราอ น, นี้ท่านเขียนมีในเป็นตัวของจะเป็นตัวหนังสือท่านหรือใครไม่รู้อันนั้นพ่อพระบอกท่านบอกว่ า, า, วาเขาอยากได้เทแต่เขาตัวบางทีพระอาจจะเขียนเอาไปให้ท่านอย่างนี้ก็ได้แต่ตัวหนังสือนั้นดูเป็นตัวของเพ่อธรมารู้จักตัวของ พอเสร็จแล้วที่นี่พอธนรู้นี่สงครามญี่ปุ่นมันเออสงครามมันเหมือนเหล่าเล่นสนเศร้าแล้วพอแล้วเรต้องเอาไปเราไม่แนวป้องกันทันว่างี้ท่านก็บอกว่าทีนี้ให้พากันภาวนานะอันนั้นมันเป็นทํานอกมันแขนอยู่ข้างนอกทันว่าให้ภาวนาหน้โมยุตระนันโมยุติยาทุกคืนทุกคืนจงเข้าฝังในจิตทันว่าอันนี้ปลอดภัยมากที่สุดมีพารกิจไว้ดี ผมนี่ไปจำเอาแล้วไปไหว้ไปไ ป, ไปสวดมันจะขังในใจไม่ต้องหาของขังไปแขนคออีกเนี่ยเราจําได้แล้วเนี่ยแล้วท่านบอกว่าตั้นนั้นมาท่านก็ไม่ทําอีกเลยเนี่ยที่ออกมาเขียนกันแต่ก่อนว่าในเตียงทิ่ิขันธริภาคมาไปขอที่ว่าตอนก่อนในเตียงเป็นสะสะนี่เป็นปฏิบัติของรัฐบาลมากเขาตามยิงมากแต่ยิงไม่ได้หลบทหายตัวไปเห็นว่าทําให้ในเตียงทิ่ิขันเนี่ย แต่ก็อาจจะมีอันนี้ผมมากล่าวไว้ว่าให้ครูนูไทยเปลียงเข้า่าสี่แผ่นนี่เลยท่านนั้นนั่นเป็นปาตะกี้นโมยุตานมิทยายท่านก็บอกตอนที่ท่านรู้เนี่ยพะวันนั้นก็พอท่านพูดเสร็จก็อเมริกาก็ไปโยนระเบิดประลานูลงเมืองญี่ปุ่นแหลกหมดเลยทั้งั้นสงครามก็เงียบแต่อย่างที่ท่นานว่าท่านก็ไม่ให้อีกตามที่ท่านแต่งหนังสือไวนะ้น่ะไม่มีอีกอันนี้ใครจะไปจําของนอก ให้เอาของในนโมอิมุตตานังนโมอมุติยาณ์ท่านนี้ท่านเขียนไปนั่นสวดแต่สวดจอจริงๆนะสวดแบบเด็กเด็กน้อย้องให้นี่ไม่ได้เรื่องอย่างที่พูดะทําอะไรเอาจริงเอาจังมันไม่จริงไม่จังน่ะจึงไม่ร่ําไม่รวยจึงสร้างอะไรจึงสร้างเนื้อทร้างตัวไม่ขึ้นแม้จะสร้างจิตใจสร้างศีลสร้างธรรมก็ไม่มันแน่ยหนาเป็นคงกับตัวเองบ๊อกแวกบบอกแว๊บบ๊อกแวกบบ๊อกแวคอนแคนเขาว่าจิตใจคอนแคนไม่มีสมาธิมันไม่จอมันไม่จริง มีฐานของสมาธิมันขาดไปจึงทําอะไรจึงไม่แน่นหนามันคงจะสร้างครอบครัวก็ไม่แน่นหนามันคงเพราะอารมณ์มันปลิวหมดมีแต่ความโลภพัดไปมีแต่ความเห็นเจกการอยากมีแต่ความเห็นแต่วิ่งเต้นไปตามอํานาจของกิเลสมันผันไปผันไปผันไปมันก็เลยตั้งเนื้อตั้งตัวไม่ได้คนเราทําสักอย่างเดียวตามกําลังจ่อทําซะจริงๆเช่แล้วมันก็รวยทําสวนก็ทําสวนนะทํานาก็ทํานาแต่ พอเห็นก็ว่าพอข้ารวยก็ไปตามเขาเห็นว่าไปไมเ ม, ม, มืองนอกรวยก็ดิ้นไปเอาเรื่อ ว, ว, ว่าที่หนึ่งไปนี่สว่าอำ น, นาจตันหาพาวิ่งพาผัดพาผันว่าความโลภ ก, ก็ไม่ผิดท่านที่ว่าให้ทําอะไรเจ็ดจอ่อจริงจังสัจจะมันก็ต้องตั้งหลกักสังสานตัวเองได้เมื่อตั้งหลักสังสานตัวเองได้ความจริงนี้แหละจะมาปฏิบัติสินปฏิบททัติธรรม ความจริงอันนี้แหละจะสร้างสมบัติภายในจิตใจของตัวเองมั่นคงขึ้นเป็นนิสัยตั้งแต่เป็นปัจจัยฝังลึกลงในใจนี่ไม่จริงไม่จำ ม, มันจะฝังลึกได้ยังไงมันฝังลึกไว้ได้หลอกหลกหลอกหลกกินไม่พอกันบ่นทุบอยู่นี่ไม่ได้ตำหนี่ไม่ได้ดูถูกนะพวกเราก็มีบุญคุณแก่แก่ต่ตมาก็มากมายนี่เราพูดเอาไปคิดไปอ่านกันแล้วไปแก้ไขตัวเองอย่าพากันมาเศร้าหมองเวลาบ้านเมืองเดือดร้อนอย่างนี้คิดอ่านแก้ไขเพราะเราเองสร้างฐานตัวเองไม่ดยุด การแก้ตัวเองไม่ดีไม่ถูกต้องหมู่ครูบาอาจารย์บอกแล้วก็เข้าบอกหัวซ้ายเข้าหูขวบอกหัวขวเข้ามือวอ้ออวอ า, ออายเวลาครูบาอาจารย์ร่วงลับไปไมไีแต่จะร้องไห้คิดถึงเท่านั้นได้อะไรน้ามตาเวลาทัานสอนยังมีชีวิตอยู่ต้องเอาจริงเอาจังถ้าอยากใค ร, ใครอยากเป็นคนดีอยากตั้งเงื่อตั้งตัวตามนี่ไม่ผิดที่บอกวันนี้ไม่ผิดจริงจังต่อคุณนำประมีทุกสิ่งทุกอย่างตั้งแต่ไหว้ผ้าสวดมนเอาจริงเอาจังบังคับหัวมันเลยตั้งสัตว์เจาะเข้าไปเลยเจาะเข้าไปเลยอันนี้เป็นฐาน เป็นมาตรฐานของพวกเราผักจำไม่ดีรักที่หนีจะพาสวดมนต์